ต่อไปตั้งใจสมาทานสินก่อนที่จะสมาทานสินอัตมภาพจะให้ความสำคัญในเรื่องของสินและ ว, ว่าคุณค่าของสินให้แก่พี่น้องประชาชนทุกทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่านได้รับทราบถ้าหากว่าไม่พูดเรื่องอธิบายเรื่องสินพออาราธนาจบแล้ว ก็พูดเป็นภาษาบาลีไปเลยก็ผู้ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังไม่ได้เรียนภาษาบาลีไม่ได้สนใจในหลักของพระพุทธาศาสนาก็จะทำให้ไม่ซึ้งในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อไม่ซึง้งแล้วก็ไม่เกิดจัดทาไม่เชื่อเมื่อไม่เกิดจัตาก็ เห็นว่าการกระทาอย่างนี้เหมือนกับทา เ, าเป็นประเพณีหรือว่าเผลอเผอในจิตใจจะดูถูกไกลในจิตใจว่าคนพวกเหล่านี้เข้าวัดเข้าวาม า, าพูดพุ่มพุมพ ำ, ำพภาษาอะไรก็ไม่รู้จะดูถูกไปในลักษณะอย่างนั้นอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้คุณค่าเหมือนกับไ ก, กลไกแจ้ เหมือนนิทานอิศกหลวงตามหาบัวท่านเคยยกขึ้นให้ลุกศิษย์ฟังหลายๆครั้งท่านว่าเหมือนไก่แจ้ไปหากินไปเกลี่ยไปเกลี่ยมาไปเห็นพลอยเม็ดงามไก่ก็บบนขึ้นว่าถ้าหากว่าเจ้าไปอยู่ในแหวนของมนุษย์คงจะมีคุณค่ามหาศาลแต่บัด น, นี้เราเห็นเจ้าแล้วสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทนนี่หลวงตาเคยเปรียบเทียบให้ฟัง นี้คงเหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักคุณค่าของศีลธรรมก็สู้ทางโลกไม่ได้สู้ความสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาไม่ได้แต่ว่าการกระทาอย่างนั้นผลมันออกมาอย่างไรผลมันออกมาเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ผลศิลของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดรักษาศีลตามแนวแถวของพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ยุคใดสมัยใดศีลธรรมเฟื่องฟูยุคนั้นมีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราแต่หากว่าพวกเราขาดศีลธรรมมากๆยุคใดยุคนั้นแลเป็นยุคที่เดือดร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมภาพจะได้นำมากล่าวหรือว่าสภานำสมาทานทั้งห้าข้อ คือปานาไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ฆ่าสัตว์ถึงจะเป็นสัตว์ติรชานเขาก็รักชีวิตของเขาถึงจะเป็นหมูหมากาไกา่พวกเราคิดดูก็แล้วกันพราพุทธเจ้าเป็นประชาธิปไตยท่านบอกว่าอย่าฆ่าแต่พวกเราถึงจะงดในการฆ่าไม่ได้จริงๆก็รู้จักคุณค่าการฆ่านั้นฆ่าอันไหนที่มี ค่าพ่อค่าแม่เป็นบาปหนักเราจะไปฆ่าแต่ฆ่าคู่ฆ่าคนผู้มีพระคุณลองลงมาบาปหนักถ้าคนฆ่าคนบาปหนักฆ่าช้างเงินช้างม้าโวควายบาปหนักลงมาอีกลองเป็นลำดับลำดับลงมาแต่มันไม่ไม่เหมือนกันแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นบาปหนักเพราะนั้นการฆ่า พระพุทธเจ้าท่านก็วางเป็นระดับเหมือนกันเพราะนั้นการฆ่าไม่เป็นผลดีถึงเราจะไปฆ่าคนอื่นเขาเขาไม่มีทางศึกจะสู้เราได้แต่ความผูกเก็บพยาบาทอาฆาตในจิตใจของเขานั้นไม่มีใครที่จะห้ามจิตใจของเขาได้เพราะฉนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าบาปกรรมบาปกรรมคือการกระทํากรรมคือการกระทํา ถ้าเราไปทําให้แก่คนอื่นเขาเขาก็ผูกเป็นผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเราแต่บาปนั้นคือเราไปฆ่าเขาเราเราต้องได้รับโทษแต่เวร น, นั้นผู้ที่เขาถูกที่เราไปถูกไปทําร้ายเขานั้นเขาจองเวรอยู่ในใจเขาผูกพยาบาทเจ็บใจเขาเพราะหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วต้องเกิดอีกในการเกิดอีกของเขาเขาจองเวรเขาตั้งใจว่าเออข้าชาตินี้เราสู้เธอไม่ได้สู้เจ้าไม่ได้เอาเธอะชาติหน้าเราจะต้องจองพยาบาทอาฆาตจองเจ้าจองเจ้ากรรมจองเวรเจ้าทุกภพทุกชาติอันนี้ใครเข้าผูกเก็บในจิตใจสิ่งนี้แหละหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงว่ายากอจย่า อย่าก่อกรกรมก่อเวรกันให้อภัยกันไว้ในหลักของพุทธศาสนาในกลัวมากเรื่องของเวรไม่ใช่แต่กลัวแต่บาปเท่านั้นนะบาปใครครัว่าทำแล้วก็เราก็ได้รับโทษอันนั้นคือบาปส่วนเวร น, นั้นจะมีการพยาบาทอาฆาตจองกันอีกนานเท่านานไม่มีใครรับประกันได้ในจุดนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกัน ชีวิตเขาชีวิตเรามีคุณค่าเท่าเทียมกันถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขาเขาก็ทุกข์ใจถ้าเขามาทำให้แกเรามาฆ่าพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรปเราไปขโมยคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย tokens tokens tokens tokens? ข cries, ข่างไรเขามาขโมยของเรา coc? เรามีความรู้สึ ก, tokens tokens? กอย่างไร tokens tokens? เ, เราไป ล, ลาบระลวงสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไร เขามาทำให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปต้มตุนนก่กรล อ, อกลวงคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาทำให้แก่เราก็เช่นเดียวกันการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างอันนี้แหละคือสินห้าที่พวกเราจะได้สมาทานเนี่ยที่หลวงพ่อจะได้พานาสมาทานสรุปแล้ว สินห้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเพียงแค่นั้นอะ่ะคือถ้าเราไม่ต้องการเราจะไปทำให้เขาเนเขาก็ไม่ทำให้แกเราต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็สงบพรมเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราล้าเส้นกันไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วโลกทั้งโลกก็จะหา ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อ น, อนวุ่นวายทุกหัวละแห่งเพราะ น, นั้นคณะทตางาตโยม ท, ทุกท่านรู้แล้วว่าศีลรธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรกับพวกเราต่อชุมชนต่อโลกถ้ า, าว่าพวกเราขาดศีลธรรมไม่มีศีลธรรมแล้วจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ศีลธรรมเป็นหน้าที่ของใครจะเป็นผู้รักษา เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราทุกคนต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นจุกแล้วพวกเราควรจะเคารพศีลธรรมแล้วก็เป็นผู้มีสินแต่เป็นผู้มีสินแล้วนั่นลนะคุกคุกตารางเรือนจาของพวกเราต้องพ้องแน่แต่ว่าพวกเราไม่มีสินไม่มีธรรมมีแต่ส่งเสริมกันไปในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องแล้วนั่นละสิ่งความ ความช่วยชาติเสียหายก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเราเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มีคุณค่าต่อพวกเราท่านทั้งหลายต่อ น, นี้ไปอาตมาภาพจะเป็นผู้พานำสมาทานสิน่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r a ห a t o สัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติญจันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนะนิผูติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสธาเยร้อมมาเจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวังอายาจาธาวันนี้อาตมาภาพหรือหลวงพ่อเห็นคณะศรัทธาญาติโยมฟังฟังโคษกอ่านเมื่อกี้นี้มีทั้ง4ี่สิบกว่าคณะที่มาร่วม ทำบุญทอดผ้าบางสกุลถวายองค์หลวงตาและก็มีท่านพินิจยารุสมบัติที่เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมหลายท่านหลวงพ่อไม่สามารถที่จะจำจดจำได้รวมแล้วกว่าหลวงพ่อได้เห็นคณะศรัทธาญาติโยม หลวงพ่อในานามคณะสงฆ์เป็นศิษยานุศิษย์เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายที่รักเคารพในองค์หลวงตาหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจเห็นคณะสัตา ย, ยาญาติโยมก็ล้ำลึกถึงองค์หลวงตาว่าโอ้องค์หลวงตาของเรานี่เป็นผู้เสียสละให้แก่โลกจรงิจรงๆเพราะลูกหลานคณะสัตา ย, ยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้หลั่งไหลเข้ามาใ น, ในกราบ ชรีระขององค์หลวงตาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยห่างไกลมาทุกสารทิศมาเพื่อกราบไหว้เคารพสักการะองค์หลวงตาของพวกเราสมกับองค์หลวงตาของพวกเราเป็นผู้เสียสละให้แก่โรกจริงๆท่านไม่เห็นแก่การสะสมท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษในตัวของท่านจากนั้นท่านก็ ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์โลกมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นขณะที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ยังช่วยสงเคราะห์ในปี2540ในช่วงนั้นท่านประสบอุบัติเหตรุรถของท่านลงข้างถนนการที่รถลงข้างถนนก็ไม่ใช่อื่นไกลพอเห็นรถมอเตอร์ไซ์ ท่านไปเอาของไปช่วยโรงพยาบาลของก็ยังเต็มรถมีขนมมีข้าวสารอาหารแห้งอยู่ในรถตู้ของท่านท่านวิ่งไปรถมอเตอร์ไซค์ทางไหนก็ไม่รู้มันคาดการไม่ถูกมันคิดว่ารถจะช้ามันก็วิ่งตัดหน้าท่านเลยถ้าท่านไม่เบรกนะโชเฟอร์ที่เป็นหลานที่เป็นเลนของท่านนะไม่เบรกนะก็คงจะชนเข่าตายะ รถก็เลยยอมหลบหลบมันก็เลยเสียหลักก็ทำให้ลุ้งตาไม่สบายแขนท่านก็ไม่ถึงกระหกัก่กระดกข้างโรงพยาบาลแถบสกลนครข่าวนั้นก็บ้านเมืองของเราก็อย่างที่ว่าบ้านเมืองของเราก็เศรษฐกิจย่าแย่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านก็ทานาท่านยังเอา ใช้เชือกยังผูกแขนของท่านอยู่ท่านก็ยังเสียสละท่านไม่เห็นแก่ความเจ็บป่วยของท่านเลยท่านเปิดโครงการครั้งแรกเดือนเมษาไปเปิดอยู่ที่สวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครจากนั้นท่านก็ได้ประกาศออกท่านบอกว่าท่านได้ดูแล้วท่านก็คงจะเป็นนิมิตเรื่องความหมายของท่านท่านว่า มีช่องทางที่จะออกได้เศรษฐกิจอย่างนี้ท่านจึงถ้าหากว่าท่านไม่มั่นใจท่านก็คงจะไม่ทำอันนี้ท่านคงมั่นใจในตัวของท่านเองในการภาวนาของท่านหรือว่าทางด้านจิตใจของท่านอันนี้เราไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ในจุดนั้นท่านพูดแต่ว่ามันมืดไปหมดมันเห็นเพียงแต่เห็นสว่าง เ, าเห็นแสงสว่างเพียงจุดเดียวคล้ายๆกับว่าเป็นจุด ที่จะออกไปได้ในจุดนั้นมันมีแสงสว่างเพราะนั้นมีทางเดียวที่จะออกเดินลากทางไปได้คงไปได้นี่แหละท่านทได้ตั้งจิต แ, แน่วแน่ที่ได้ช่วยสงเคราะห์โลกตั้งแต่เดือนเมษาปี40จากนั้นท่านก็ประกาศให้แกพี่น้องประชาชนอยู่ในความสงบเพราะเศรษฐกิจของเราเราเสียเปรียบ ต่างชาติเจแล้วเขาเอาเงินเงินต่างชาติเงินดอนมตดตีคลังหลวงของเราแต่กระจุยกระจายอันนี้พวกเรากคงจะรู้หลวงพ่อเองเป็นพระป่าพระดงก็คงรู้แต่เพียงแค่นี้แต่รู้สึกว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นยําแย่มากๆ ม, ม, มันเหมือนกับ น, น้ํากระทบเข้ามาจากในเมืองในกรุงแต่บ้านนอกยังไม่กร ะ, กระเทือนเท่าไหร่แต่พอเอาเข้าจริงมันเหมือนกับ น, น้ํา มันกระแทกมาหาพี่น้องประชาชนในหัวเมืองต่างๆอยู่ในชนะบบจึงจะรู้ได้ที่หลังบอกเป็นเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองที่สุดในในชีวิตของหลวงพ่อในช่วงนั้นที่เหตุแล้วในหลวงตาท่านก็ประกาศประกาศให้คนเอาช่วยกันหลวงตาประกาศให้คนช่วยกัน คำว่าประกาศให้คนช่วยกันํำนี้นะ่ยวาทะหรือว่าแนวความคิดของหลวงตาบุญบา ร, รมีของหลวงตาในจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าใครจะทำแบบหลวงป่ากระทำเถอะหลวงพ่อยกให้เลยไปไม่กี่น้ำหรอกอันนี้บุญบา ร, รมีของหลวงตาเนี่ยท่านมาเกิดมาช่วยฉงเคราะห์โลกจรงิงๆริพอท่านประกาศไปที่ไหนพี่น้องประชาชนยอมรับไปทุกหัวไหแหง บางคนคขาบอกเออท่านมาครั้งนี้ใช่ถ้ามาครั้งที่สองก็เถอะจะมีใครมาไหมพอมาครั้งที่สองคนยิ่งมากกว่าเก่าอีกพอครั้งที่สามยิ่งมากกว่าเก่าอีกเ อ, อ, อันนี้ะคือสรุปแล้วก็คือถ้าไม่ใช่บา ร, รมีบุญบา ร, รมีจะว่าอะไรออบุญบา ร, รมีของหลวงตาออท่านเดกเออสั่งสมมาดีแล้วไปที่ไหนเป็นที่ยอมรับของ ฝูงชนจากนั้นท่านก็ได้รวบรวมทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดเป็นส2บตันกว่า เ, เดี๋ยวนี้กําลังจะพวกเราเะจะหาตันที่13 เ, เข้าไปในคลังหลวงอีกเพราะเป็นพินัยกรรมขององค์หลวงตาท่านเขียนไว้ในพินยัยพินัยกรรมไว้เลยอีกว่าเมื่อเราตายไปเงินทุกบาททุกสตางค์พี่น้องประชาชน ได้มาทำบุญในงานศพของเราให้เอาเงินจำนวนนั้นซื้อทองคําเข้าคำหลวงทั้งหมดอย่าเอาเงินพี่น้องประชาชนทำมาทำบุญมาจัดงานเมนศพของเราศพของเรานั้นใช้ฟืนเผาเท่านั้นอย่าเอาเงินอย่าเอาเงินทองพี่น้องประชาชนมาเผาศพของเราอันนี้คือองค์หลวงตาที่ท่านสอด ท่านบอกเป็นพินัยกรรมแก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทั่วนหน้ากันนี่แหละสรุปแล้วองค์หลงตาท่านมีเมตตาต่อโลกจนลมหายใจครั้งสุดท้ายท่านก็ยังมีเมตตาต่อพวกเราท่านทั้งหลายต่อ น, นี้ไปลงตาท่านไม่มีอะไรที่จะนำไปในตัวของท่านอัฐิธาตหรือกระดูกของท่านท่านก็จะทิ้งไว้ที่เมน มีแต่ท่านเอาแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ท่านได้บำเพ็ญมาที่ท่านได้สำเร็จมรรสํำเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลใจของท่านเป็นพระอริยะเจ้าแต่ร่างกายของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายท่านทิ้งไว้ในแผ่นดินทั้งหมดแต่คุณงามความดีขององค์หลวงตานั้นบรรยายไม่มีที่สิ้นสุดนั่งบรรยายเท่าไหร่เออก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อย เพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะได้นําผลแนวทางปฏิบัติขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกหลานสมัยเมื่ออาตมาภาพมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอาตมาจะองค์อื่นท่านก็คงจะมีเหมือนกันแต่สําหรับอาตมาหลวงพ่อเองหลวงพ่อเข้ามาอยู่ถ้าว่ามาพูดแนวปฏิปทาของหลวงตา ถ้าว่าพูดแต่เรื่องของโรงตาถ้าไม่พูดว่าเราอยู่ที่ไหนตรงไหนอย่างไรถ้าว่าพูดไปเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยกล่าวประวัติของตนเองให้แก่พี่น้องประชาชนเชิดยกย่องตนเองไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นธรรมด า, าการกล่าวถึงประวัติของครูบาอาจารย์เรายืนจุดจุดไหนที่เราเห็นจุดนั้นมันก็ต้องมีตนอยู่ยในนั้นด้วยถ้าไม่มีตั ว, ต, วตนแล้วเราจะไปมองเห็นท่านได้อย่างไร อันนี้ก็เหมือนกันหลวงตาของเราเนี่ยสมัยก่อนท่านก็เป็นพระน้อยพระหนุ่มแต่เป็นผู้เด็ดเดี่ยวเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ในยุค ข, ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ล่าที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงหลวงปู่มั่นจะไม่ได้พูดถึงหลวงตามหาบัวแล้วแปลว่าเรื่องนั้นยังไม่จบ ท่านยกย่องจริงๆยกย่องถึงหลวงตาท่านบเหมือนกับพี่ชายใหญ่ของท่านถ้ามีอะไรท่านก็หลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงตามหาบวัวเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดูแลเรื่องราวต่างๆในยุคสมัยนั้นพระเนนทุกองค์พระทุกองค์ให้ความเคารพในองค์หลวงตาเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดรอบรู้รอบครอบในเรื่องต่างๆนี่แหละ สมัยอยู่ในยุคนั้นก็เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นน้องๆของท่านแต่ก็คงจะมีบ้างที่ไม่เข้าใจกันเราก็ไม่อยากจะพูดในจุดนั้นแต่ตามไม่จริงมันต้องมีทุกยุคทุกสมัยแต่ส่วนมากก็ยอมรับของห ล, ลวงตาแต่นี้ท่านก็พอจากนั้นมาท่านก็มาอยู่ไปอยู่จำพรรษาทางบ้านห้วยทรายนะ คือหลวงปู่มั่นมรณะภาพปี 2,492 พอ 2,000 เดือนเดือนพฤศจิากาเดือนพฤศจิากา 2,492 2,493 ก็มีการประชุมเพลิงแต่สมัยนะั้นยังไม่มีการพระราชทานเพลิงลว่าประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดจุลคกร์จากนั้น เมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคณะสิทธิสงฆ์มากในยุคสมัยมากเป็นประวัติศาสตร์น ะ, อะพอประชุมเสร็จแล้วหลวงตามหาบวญท่านยังลำลึกพระคุณของหลวงปู่มั่นท่านยังลำลึกถึงพระคุณของพี่น้องประชาชนที่ท่านอยู่ที่บ้านน้องผือนาในาท่านลำลึกโอ้หลวงปู่มั่นอยู่บ้านน้องผือนาในาเป็นเวลาหกปีติดต่อกัน เราก็ได้เอาหลวงปู่มั่นออกมาจากสกลนคร เ, เดือนพฤศจิกาทําไมหลวงปู่มั่นท่านจึงจะออกมาแต่าตามประวัติของท่านท่านก็บอกว่า <c oughs> ไปเอาเราออกไปออกไปเอาเราเอาเราออกไปไปสกลนครถ้าว่าเรามรรณาภาพอยู่ที่บ้านหนองผือนาในเป็นบ้านหมู่บ้านที่สุดท้ายปลายแดนคนทั้งหลายก็จะหลั่งไหลเข้ามา พอหลังไลรเข้ามาก็ไม่มีอาหารจะกินเขาจะต้องค่าวัวค่าควายค่าหมูเลี้ยงคู่เลี้ยงคนเพราะไม่มีอาหารแน่ผู้ที่จะหาเอาอาหารมาขายมาเลี้ยงก็ต้องค่าสัตว์มาเลี้ยงคนเพราะนั้นเราไปอยู่ไปตายในเมืองออมันอยู่ใกล้เมืองอาหารการบริโภคก็คงจะไม่เดือดร้อนแต่ไขเพราะเขามีอยู่แล้ว อ, อ, อันนี้คือท่านปารบกับสิทธิ์จากนั้นก็ได้ ถามท่านออกมาพอมาถึงบ้านผู้จกนนครในวันคืนที่สองท่านเองท่านก็เร้ละสังขารที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดจกนนครในเมื่อเดือนถึงเดือนกุมภานะก็ได้ประชุมเพลิงองค์ลวงปู่มันนะจากนั้นองค์ลงตาท่านก็ล้ำลึกถึงพี่น้องประชาชนในบ้านน้องผือนาในาท่านเนินมากลับ มาจําพรรษาจวนจะเข้าพรรษาท่านก็มาจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในกับพี่น้องประชาชนพอออกพรรษาแล้วท่านจะได้เดินทุดลงลงไปข้ามเขาภูพานไปจําพรรษาทางอําเภอคำเชอีอีจังหวัดมุกดาหารที่เป็นญาติแ่วงสาคานาญาติของหลวงข้อเนะี่ยอำเภอคอําชีอีจากนั้นท่านไปอยู่ที่คําชีอีเป็นเวลา4ีหปี จำภาษาติดต่อกันจากนั้นท่านก็ลำลึกถึงโยมมันดาของท่านจากนั้นท่านก็ได้นําคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํากับคณะสามคนแม่ชีสามคนแม่ชีน้องแม่ชีบุญแล้วกับคุณแม่ชีแก้วกับหลวงปู่เพลงที่นั่งอยู่ข้างหลวงพ่อเนี่ยกับครูบาอาจารย์หลวงปู่สินทองเป็นผู้พานำหลวงปู่ลีได้ขึ้นมามาก็ท่านก็ให้ คุณแม่ชีแก้วมาอบรมมาเทศโยมแม่ของท่านท่านบอกว่าเท่าถ้าเราเทศในโยมแม่อาจจะไม่ฟังจะเอาผู้หญิงเทศผู้หญิงะท่านก็เลยเอาคุณแม่ชีแก้วขึ้นมาโยมบรรดาก็ยอมแล้วก็ออกบวชพอออกัวท่านกับปีนั้นเท่ากับได้ไปจำบรรษาที่วัดสถานีทดลองจังหวัดจันทบุรีในอำเภอวัดสถานีทดลอง จันทบุรีประจําพรรษาพรรษาหนึ่งปีนั้นคงจะเป็นปี 2,498 ่าจากนั้นพอจําพรรษาเสร็จแล้วโยมมรรดาของท่านคิดถึงบ้านท่านเพราะอาหารการบริโภคไปทางรุ้นข้าวเหนียวก็ไม่มีมีแต่ข้าวเจ้าท่านก็คิดถึงบ้านก็ชวนองค์หลวงตามาเพราะนั้นวัดปาบั้นตานี้ถ้าจะว่าแล้วโยมบรรดาของท่านนะลปัญญาของท่าน เป็นผู้พานํำมาหลวงตาก็ห น, นีไม่ออกถึงเพราะอาโยมแม่บวชแล้วถึงยังไงก็ต้องอยู่กับแม่ทีนี่นี่แหละกําปีมาสร้างวัดปีบ้านตาดปี2498มาอยู่ที่นี่จากนั้นก็เป็นวัดมีโยมผู้ใหญ่ก้อนกับผู้ใหญ่สารวัตรท่านถวายที่ดินสร้างวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตาด ขอบเขตของวัดป่าบ้านตาที่กําแพงที่หลวงตาสร้างร้อยหกสิบไร่นะร้อยหกสิบไร่ที่วัดกําแพงร้อมรอบจากนั้นหลวงตาก็ได้อยู่มาอยู่ที่นี่ด้วยความชั้นโจดไม่ได้ก่อสร้างอะไรอยู่แบบเรียบง่ายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไปเห็นกุฏิของหลวงตานี่เป็นหลังที่สามนะหลังที่แรกกระต๊อบ หลังที่สองอมีสังกสีมีไม้เตี้ยอันนี้หลังที่สามหลวงปู่ฟักมัดเขาน้อยสามผานเป็นช่างกุฏิรังนี้แต่ก่อนก็เตี้ยอีกเหมือนกันพอท่านป่วยท่านลงไปกรุงเทพท่านว่าเราขึ้นข้างบนไม่ไหวแล้วจากนั้นพอลงกรุงเทพเนี่ยคณะศรัทธาญาติโยมทั้งฝ่ายพระก็เลยรุมกันยกกุฏิของท่านขึ้นไปก็ดูแล้วก็เออ เหมาะสมกับองค์ลวงตาในตะก่อนกุฏิมีชั้นเดียวอยู่ชั้นบทอันนี้ต่อมาก็คราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ลงไปกรุงเทพอีกแต่ท่านป่วยพวกพระก็เลยมาทำห้องนี่แหละห้องปลอดเชื้อขึ้นมาอีกที่ท่านแต้ละสังขารอยู่ในห้องปลอดเชื้อแต่ก่อนก็ไม่มีห้องนี้เป็นที่ลงโลงนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงตาอยู่ด้วยความ เรียบง่ายแประหยัดเรียบง่ายแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นนั้นท่านเต็มที่จะสร้างเท่าไหร่ท่านให้สี่สิบพันสิบล้านท่านทำแต่สำหรับตัวของท่านเองแล้วท่านาพอขนาดนี้พอเราจะเอาอะไรอีกฉันวันละมือเท่านั้นละ่ะแ่ผ้าสามผืนเท่านั้นเองเราจะเอาอะไรพอเราเป็นพระนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของพระป่าอย่างองค์หลวงตานะ ทีนี้ท่านชีวิตประจําวันของท่านลงตาเนี่ยในสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านไม่เคยลดละในการปัดกวาดนะพอได้เวลาปุ๊บท่านจะปัดกวาดเวลาบ่ายสามโมงน่ยท่านจะลงได้เวลาปัดกวาดเลยจากนั้นห้าโมงเย็นท่านก็ส่งน้ําโดยมากท่านจะสนส่งน้ําเองของท่านอย่างที่ลุงพ่อได้พูดนะท่านไปส่งน้ําตามต้นไม้ เ ใ, ใช้แต่แค่ไม้แล้วก็ไปลองแล้วก็มีกระป๋องน้ํากระป๋องเดียวเท่านั้นแหละอาบน้ําเสร็จแล้วกันวันนี้ไปอาบใส่ต้นไม้ต้นนั้นวันสักสองสามวันพอมันชุ่มตินชุ่มย้ายที่อาบน้ําไปใส่ต้นไม้ตัว น, นั้นอีกย้ายไปเรื่อยในบริเวณกุฏิของท่านท่านไม่ให้เสียสรุปแล้วไม่ให้มันจะเกิดประโยชน์กับอะไรท่านจะให้อันนั้น พอจะเกิดให้ประโยชน์ให้แก่สัตว์สาราสิงห์ท่านก็ให้พอจะเกิดประโยชน์กับต้นไม้ท่านก็ให้สรุปแล้วคือท่านใช้ท่านใช้ปัญญาของท่านความรอบครอบของท่านการสงเคราะห์อนุเคราะห์ของท่านไม่ให้ขาดตกบกพร่องสรุปแล้วนี่แหละอันนี้เกี่การเดินยมกลมของท่านท่านก็ไม่เคยขาดอายุถึงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบท่านยังเดินยมกลม ไม่เคยขาดท่านตื่นแต่เช้าลุกมาแล้วกว็พอออกมาจากกุฏิของท่านมาที่ศาลาท่านก็มากายบพลีหารคล้ายๆว่นนั่งลงแล้วกว็เหยียดขาออกไปแล้วกว็ดัดเส้นจากนั้นก็ไปบินทบาทในหมู่บ้านพอกลับมาแล้วกว็ามาฉันการฉันนี่ก็อาหารก็แบบเรียบง่ายโยมมันดาของท่านอายุเจ็ดสิบ กว่าเนี่ยเป็นคนทำํำจะให้คนอื่นทําโยมบรรดาก็ไม่เหตุทาท่านจะเลี้ยงพระเด้วยโยมบรรดาของท่านทําพวกเราก็เป็นทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทยพระต่างถิน่นโยมบรรดาทําอะไรให้กินพวกเราก็ฉันหมดว่างั้นแต่กินหมดอร่อยหมดเอไม่ได้พ่อหลวงตาพาฉันอแต่ว่าถ้าว่าวันไหนไปบิณฑบาตบางทีอาหารมันไม่มีท่านก็ รู้นะอ่ออันนี้เอาให้พระพระฝรั่งนะอ่อท่านจะแยกนะเอ่อตัวเฉพาะอย่างยิ่งอตมาเป็นผู้จัดอาหารในยุคสมัยนั้นอ่อท่านนีไปใส่บาตพระอาจารย์เฉรี่พระอาจารย์ปัญญาอ่อพระฝรัง่งอย่างพวกเออาหารที่ไม่ไม่เผ็ดอะไรเงี้น่เอ่อพวกไข่ทอดพวกลักษณะอย่างนี้แนหะเอ่อเอาไปใส่ให้พระฝรังอ่อแต่พระไทยอ่อันยังไงก็ฉันไปหลวงตาพระชันยังไงพวกเราฉันอย่างนั้น แต่สำหรับอาหารพระฝรังท่านก็ดูนะเพราะว่าต่างชาติท่านบอกพวกนี้พระฝรังเนี่ยข้ามน้ำํำข้ามทะเลมาเราต้องให้ความสําคัญเขาเราเป็นคนพื้นที่เราชั้นยังไงก็ได้นี่ให้ความเมตตาขององค์หลวงตาเนี่ยท่านแยกแยะท่านให้รู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอย่างแจกอาหารบอได้อาหารมาต้องให้แจกนะแจกให้ทั่วการแจกอาหารเนี่ยถ้าอาหาร สิ่ไหนทำมันของ แ, แปลกๆเข้ามาเนี่ยโดยมากอย่างปลาทูเนี่ยนะพูดพูดตรงๆเลยนะไอ้ปลาทูเข้ามานี่ท่านดูดูในถาดเอาไปใส่ด้วยเอาไปใส่ให้ครบนะใส่ตะหางขึ้นมานะคืออาหารเนี่ยท่านจะไม่ให้ใส่จากหัวลงไปทีเดียวเวลาแจกอาหารไอ้บางทีก็จกัใส่จากหางขึ้นมาจากสัมเณรขึ้นมาหาหัวบางทีนก็แจกจากกลางลงไปบางทีก็แจกจากหัวลงไปหาถึงกลาง คือจบแล้วคือหลวงตาเนี่ยท่านแจกอาหารให้ทั่วถึงอท่านบอกว่ามดก็อิ่มตามมดคนก็ติอิ่มตามคนช้างก็ต้องอิ่มตามทองช้างเพราะนั้นให้ดูกันให้ทั่วถึงเวลาจะใส่บาตรลงไปในบาตรให้ดูบาตรเชก่อนอาหารเพียงพอไหมพริกจุกควรจะอยู่ที่ไหนอาหารจะอยู่ที่ไหนเ ว, เวลาเขาท่านตักบาตรเพราะอาหารไม่มาก เ, เวลาถือหม้อเข้าไป การถือหม้อเนี่ยนะถ้าาหม้อมันมีสองหูใช่ไหมหม้อโลมีสองหูถ้าว่าใครไปจับหูข้างเดียวเท่า น, นั้นอนะลงตาชี้ทันทีแล้วว่างั้นเดินนะไปจับหม้อหูเดียวได้ยังไงต้องลอ ง, ลองหิ้วหูท่านหูเดียวสิมันจะเป็นยังไงเน่ลงตาท่านท่านให้จับปากเขามันนะไม่ได้จับปากเขามานะันนักว่อยตักไม่ให้จับหูกูหัวมันกูหูมันขาดนะท่านคงจะเคยเห็น ม้อหนักๆไปจุบจับหูเดียวมันจะทำให้มันแ บ, บนะ <c oughs> ถ้าจับก็ต้องจับสองหูอย่างนี้ น, ะนี่แหละอันนี้คืออาตมาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจนได้เขียนบันทึกประจำวันเลยลนะห้ามจับหมูห้ามจับหมอหูข้างเดียวงันนะได้เขียนไว้เลยกนะันเตือนเตือนความจำว่างัน น, ะนี่หละโอ้ถูกดุจริงๆไม่ใช่ดูธรรมดาเนะลงตาเนี่ยใครเข้าว่าท่านสอนพระให้มีสติ พอแจกอาหารเสร็จเรียบร้อยลงมานั่งแต่ตอนที่ลงมานั่งท่านบางทีท่านก็ให้พรองค์เดียวบางทีท่านก็นาให้พรบางทีท่านก็เอาองค์นั้นให้พรท่านจะชี้นะชี้เอาองค์นั้นให้พรแต่โดยมากพระฝรั่งให้พรแล้วก็ชี้เหมือนกันนะชี้ให้พรแต่ไม่เห็นแต่ท่านไม่เห็นแต่ท่านบัญญาให้พรองค์เดียวนะองค์อื่นท่านชี้หมดแต่หลวงพ่อเนี่ย บุญบา ร, รมียังไงก็นะไม่เคยห ล, ลงตามไม่เคยชี้ให้พอรององเดียวนั้นเลยเพราะหลวงพ่อเนี่ยสวดปฏิโมกได้นั้นคงจะองค์ที่มันสวดปฏิโมกได้มันคงจะพูดภาษาภาษาบาลีอะไรถูกต้องบางทีเอ <c oughs> เวลา อ, อ, อสวดยะถาที่ไหนะบางทีเกือบชั่วโมงไม่ได้ฉันอาหารก็มีนะอเอ้เอาเนนนั้นให้พร เอาเน้นนะั่นเป็นคนรับยัดซัพีนะที น, นี้มันก็กลัวอยู่วตุบตุตุบตุตอมตุบตอมจอมอยู่ในหัวใจใช่ไหมกลัวลงตาเนียนั่นก็บอกจะถาวลีวหาปูลาไม่เอาเอพูดช้าๆจะถาวารีบาฮาปูลาปลปูไม่ใช่ป๊เอาเอาใหม่อีกยถาวารีบหาปูปูลาปล เออร่ต้องรอเรือสิมันจะเป็นเร่ได้งไงเอาพูดไหมโอ้ใครจะหัวล่อคงหัวร่อไม่ออกข่าวนั่นงนั่นน่ะเนีเพราะหลงตาในหน้าคึ้งเออโอ้หลงตาในหน้ากลัวนะเวลาท่านดุนะท่านเอาจริงเอาจังองไหนหัวร่อไปมีแตก่กลมกลมหน้าทุกองล้อเนี่ยแต่เออนี่แหละอันนี้คือคือท่านสอนพระของท่านสอนเนนของท่านเออคือจะขาเอาพูดไาน เนี่สอนเป็นองค์องค์ไปถ้าหลวงพ่อพูดอนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเกานะ่าเน่ยคงจะคงจะคงจะไม่ไม่ตำหนิหลวงพ่อนะหลวงพ่อนะ่ยโ อ, เอ้เห็นเนะี่ท่านให้ยะฐานะจากนั้นพอจะเอาแต่นั้นก็ฉันการที่จะฉันถ้านก็นั่งดูพิจารณากูคนนะนั่งสมาใครเขาว่านั่งพิจารณาปฏิสังขาโยนิสโสบินดาปาตังปฏิเสวามิ เนวทวายะนมะทายะที่พวกเราสวดการที่จะฉันอาหารเราไม่ได้ฉันเพื่อเป็นนักเพาะกล้ามเพาะกายถึงเราจะเลี้ยงถึงเราจะทานอาหารดีขนาดไหนอิ่มขนาดไหนดีขนาดไหนเลี้ยงร่างกายร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่น้ําเพื่อให้มันอยู่ได้เท่านั้นเอง เราไม่ได้เลี้ยงเพื่อให้มันถือเลี้ยงไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมันเลี้ยงไม่ได้หรอกเลี้ยงร่างกายอันนี้เลี้ยงพอประทังไปเพื่อให้ได้บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเสา ะ, ะแสวงหาทางพ้นทุกข์ดนวะงตาท่านจะสอนอย่างนั้นท่านไม่ให้ลืมในการอยู่การฉันเวลจาจะนั้นก็ฉันออพอฉันเข้าไปแต่ฉันด้วยความระมัดระวังนะเวลาฉันเข้าไปเคี้ยวอาหารในตาเธอออกไปข้างนอกเลย ถ้าท่านเหลือเพ้นเท่านั้นน่ะฉันขาดสติทำไมสันชีเนิวนะ่ะเวลาเคี้ยวอาหารตาเถอออกข้างนอกมันดูไม่ได้นะเอเวลาฉันอาหารต้องสํารวมในบาตรสิจะไปทําตาเธอออกข้างนอกได้ยังไง เ, เพราะนั้นการฉันต่อหน้าหลงตาเนี่ยต้องเงียบก้มหน้าฉันถ้าไปฉันข้างซ้ายก็ไม่ได้ฉันมือข้างซ้ายมันมันทําให้ผ้าเปื้อน ทำไมมันฝึกไม่ได้ห่ะฝึกชันข้างขวาไม่ได้หรอทําไมทําชันข้างซ้ายอย่างนั้นเ อ, อเห็นไหมนะมันลบลุงลงังมันขวางหมู่อยู่นั่นนะทําไมไม่ฉันไม่เอาข้างมือข้างขวามาฉันเอออย่างหลวงปูรีท่านถนัดทางซ้ายแต่ะก่อนโดนลงตาดุท่านจนเคยชํานาญมาทางด้านขวาเลยว่างั้นเถอะเออ น, นี่แหละอันนี้ก็เวลาฉันเนี่ยพอฉันเข้าไปถ้าใครก็ตาม ชั้นไอม้มะเขือเลือดแตงกวาเดี๋ยวมันดังแน่ใช่ไหมพอเคี้ยวไปดังกวบกวบกวบท่านเหลือบตาขึ้นมองท่านนั่นแหะทำใหมปากกับท่านน่ยปากกับหูของท่านมันติดกันมันไม่ได้ยินหรือเสียงดังไม่ดังรเราอยู่ที่นี่ไกลๆมันยังได้ยินว่าท่านเคี้ยวอะไรเออพอท่านท้วงเท่านั้นแหะองนั้นคงไม่เคี้ยวแล้วคงจะกลืนเลยเหมือนเันแ เออขนาดนั้นลงตานะเอคงจะกลืนเลยว่าเง้นไหนะเพราะท่านท้วงเนี่ยท่านบอกเหี้เห็นไหมละ่ะพอรถแตกลิ้นเท่านั้นแหละหูดับไปเลยนะขนาดเคี้ยวตัวเองใกล้หูขนาดมันไม่ได้ยินเราอยู่ไกลๆเรายังได้ยินมันเคี้ยวอะไร น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาท่านสอนพระของท่านสรุปแล้วก็คือให้มีสติอยู่ทุกเริยาบทอืในการฉันเ อ, อ แล้วก็การฉันจะไปตาเถอไม่ได้การฉันอย่างผักอย่างนี้เหมือนกันเอกล้วยก็เหมือนกันจะไปปอกข้างนอกอยู่นอกบาดไม่ได้นะทำผักก็เหมือนกันเวลาจะฉันผักต้องม้วนๆในบาดซะก่อนแล้วก็จิ้มเข้าไปเอฉันคำใหญ่ก็ไม่ได้นะเอะย่าไปทำกับพุ่งแต้มให้ให้ตุ๋ยเออย่าไปฉันรังจับจับจะไปฉันรังสูดชดอย่าไปสันเลียมืออย่าไปสันเลียนฝีปาก หลวงตาบอกหมดเวลาลุกจากที่เียท่านต้องให้ดูอาสนะของตัวเองมันมีสิ่งเปื้อนไหมมันมีผักมีเมล็ดข้าวตกไหมเซ็ตให้เรียบร้อยก่อนที่จะลุกไปนี่แหละคือกฎระเบียบของหลวงตาที่สอนพระเนนนะท่านเข้มงวดกวดขานมากสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มนะหลวงตาไม่ใช่ธรรมดา เ, เรื่องเข้มงวดกวดขานเรื่องหลักพระธรรมวินยัยในกฎระเบียบเนี่ย เวลาฉันก็เหมือนกันเ อ, อเวลาฉันสจะผ้าหลุดลุ่ยนี่ไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> พอฉันจะงานแล้วผ้าหลุดออกจากบาเนี่ยไม่ได้เ อ, อถามรุ่นไหนก็รุ่นนะ่ะเ อ, อถ้าเห็นยาง <c oughs> ถ้าเห็นองค์ไหนฉันจะงานแล้วผ้าหลุดออกจากบาแล้วยังฉันอาหารเฉยอท่านบอกว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมนะพออาหารเตะลิ้นเท่านั้นแหะผ้าหลุดลุ่ย ผ้าตัวเองหลุดลุ่ยก็ยังไม่ดูเอ่อผ้าตัวเองหลุดลุ่ยก็ยังไม่ดูเออพอฉันอาหารเนี่ยทำใหมทําไมจังไม่ให้เรียบร้อยในการฉันนี่แหละเรื่องการฉันองค์หลวงตานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันพิถีพิถันเออเวลาฉันเสร็จแล้วก็ลุกไปล้างไล่ไปล้างบาตรเออพอไปล้างบาตรนันเช็ดให้เรียบร้อยตาพึงแดดเออแต่ต้องเร็ว อ, องตาเนี่ยท่านบอกว่าเร็วดีคล้ายๆว่าต้องเร็วด้วยต้องเรียบร้อยด้วยไม่ใช่เร็วเร็วแบบกระลูดกระลาดโดดหน้าโดดหลังไม่ได้ชนใช้ชนขวาไม่ได้ต้องให้เรียบร้อยแล้วก็เรียบสวยงามให้เร็วอย่าไปช้าทำงานองหลงตาถ้าท่านเรียก <c oughs> ถ้าท่านเรียก ต้องมาก่อนอหูไวก้นเบาอย่าไปก้นหนักอย่าไปอืดอาดเนยนายไม่ใช่เรื่องของพระนี่แหละอันนี้ก็คือการแนะนำสั่งสอนของหลวงตาแต่นี้มาเรื่องการทำงานเถอะสมัยนั้นเนี่ยสมัยหลวงพ่อมาอยู่กุฏิต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป็นฝีมือของพระทั้งหมด ท่านไม่ให้โยมทางนอกเข้ามาแต่ว่าโยมข้างนอกเข้ามามันยุ่งอ อ, อออดพระนะะั่นแหะทําพระสร้างเอง <c oughs> นั่นแหละอาตมามาอยู่ที่นี่ได้ใสสมัยนั้นกบไฟฟ้ายังไม่มีนะมีตะกบมือนะเ อ, อมาใสกันหลงปู่บุญมีหลงปู่ลีเนะีนะ่ยใสกบกันเสมัยนั้ น, ส, น, นสร้างกุฏิทีละหลังสร้างก็ไม่ยากไม่ไม่มากนะับประมาณสักไม่ถึงเดือนแต่ละหลัง บางทีสิบกว่าวันก็เสร็จแล้วสร้างกุฏิแบบง่ายๆแล ะ, ะจากนั้นก็เป็นกระต๊อบพวกเราพวกคณะสัตย า, า, ญญาติโจมเห็นกุฏิแถวๆนอกๆดูดูแล เ, เหมือนกันหลังใหญ่นะแต่พอเข้าไปข้างในแล้วมีแต่ลหลังนี่มีแต่ลหลังกับกดแกะเปทั้งนะัสจรุปแล้วก็คือท่านไม่ได้ส่งเสริมในการสร้างท้าวรวัตถุองค์หลวงตาเนี่ย ท่านสั่งสอนส่งเสริมให้สร้างใจซะมากกว่าให้สร้างจิตใจให้จิตใจของพระของเมนให้มีหลักมีฐานให้มั่นคงในศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนท่านไม่ส่งเสริมในการที่จะสร้างวัตถุหรูหราโอ่อาท่านบอกอย่างวัด ท่านบอกนะกำแพงเนี่ยจำเป็นแต่ศาลาเนี่ยไม่จําเป็นถ้ามแต่กอนที่จะมีศาลาใหญ่ข้างนอกนะขอแล้วขออีกนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะข้างเพราะศาลาหลังนี้คนมาแล้วมันแน่นเต็มไปหมดเอท่านเห็นแล้วแต่เนโอ้ไม่ได้ท่านจึงอนุญาตให้สร้างศาลาหลังนั้นขึ้นมาศาลาใหญ่ในข้างนอกเนี่ย ก่อนที่จะได้ศาลาใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาขออนุญาตจากท่านาหลายหลายครั้งหลายหลายหนนี่แหละอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของหลวงตาท่านเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้แข่งในหลักพระธรรมวินยัยการแนะนำสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านจะเน้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับศรัทธาญาติโยมนะท่านาก็ ลดลาวาสอกเป็นเสียต่อออกมานอกลู่นอกทางจริงๆท่านก็ดุดุบ้างท่านก็บอกว่าการดุของเราเนี่ยนะไม่ใช่ดุคนนะถ้าดีแล้วจะดุทำไมมันไม่ดีเราจจึงดุเราดุกี้เหร่เราดุกี้เหรไม่ใช่ดุทำนะทำเนี่ยคือความถูกต้องคือหลักเหตุผลเราไม่ดุแล่เราดุดุกี้เหร่ดูเสื่อมันดูแล้วมันขวางเออ เหมือนกับต้ น, ต, นต้นเสาเนี่ยนะถ้ามันคตมันโค้งอยู่เราก็ต้องใช้ขวานถากถ้ามันเ ก, เกี้ยงเกลาขึ้นมาแล้วจะไปใช้ขวานถากก็ไม่ได้มันต้องใช้กบกบเหลาต้องใช้กบพอมันกบเสร็จแล้วเราจะไปเอากบเหลาไปตลองอะไต้องใช้กระดาษทรายต้องใช้กระดาษทรายขัดถ้าใช้กระดาษทรายขัดแล้วเนี่ยถ้าลงแลก ลงแล็เตอร์อะไรเรียบร้อยนะเราจะไปใช้ขวานถากจะไปใช้กบใสจะไปใช้กระดาษทรายขัดมันออกก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วอันนี้ถ้าปลูกปรับมาจะไปกระดาษทรายไปขัดเลยไปขัดได้ยังไงมันเป็นไม้ชุนทร ง, งท่อมท่อ น, นมันต้องเอาขวานถากทำไมนี่แหละคือหลวงตาท่านไม่ได้ไปหน้าเดียวสรุปแล้วคนที่อยากมาท่านก็สอนสอนแบบดุดา่าว่า ก, ก่าวแต่คนที่ละเอียดแล้วท่านก็ สอนแบบละเอียดนี่แหละการแนะนํำลุงตาของพวกเราเนี่ท่านมีหลวงพ่อเห็นแนวปฏิปทาของหลวงตาแล้วหลวงพ่อยกย่องเชิดชูบูชาว่ะหลวงตานี่กลิ้งกลมเหมือนกับแก้วตาแมวแต่พวกเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับไม้เป็นเหลี่ยมเอไม่ใช่มันสี่เหลี่ยมมันมนสองเหลี่ยมแต่จะพิกแต่ละครั้งเนี่ยมันพอแรง แต่หลวงตานีกกา่กลิ่งไปกิ่มากลิ่นไปกลิ้งมาได้ทุกอย่างเลยเสมัยท่านเป็นพระน้อยพระหนุ่มยิ่งท่องแคล่วในการเป็นอยู่ของท่านพวกพระเนนไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเห็นหลวงตาเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีพวกเราก็มีธุระก็นั่งคุยคุยกันพอเห็นหลวงตาเหลือเห็นหลวงตานะไปคนละทิศคนละทางกันเลยเหมือนกันไปคนละทิศละทางแตกคือเลย อันนี้เป็นธรรมดาเนี่ยยกไหนสมัยนั้นพวกเห็นดวงตาเนี่ยได้พูดกันเป็นเป็นเป็นคำพูดกันกับในหมู่คณะโอ้อันหนึ่งอันหนึ่งเสืออยู่ข้างหนึ่งหลวงตาอยู่ข้างหนึ่งหลวงตาเดินมาเนี่ยพวกเราจะวิ่งไปทางไหนพวกพวกหมู่ภาพพวาต้องวิ่งไปทางเสือวอา กลร้องตากลัวขนาดนั้นเรากัย น, นะสมัยนะั้นแต่ไม่ใช่กลัวแล้วไม่ใช่นั้นนะแค่ข้าว่าวกลัวความถูกต้องของท่านเหตุผลของท่านพร้อมบริบูรณ์แต่เรามันผิดนะ่ะในความผิดของเรามันมองมาเห็นผิดผิดกติกาของท่านท่านบอกว่าอย่าไปคุยกันนะอยู่ในความสงบเอออย่าไปโม้วนอย่าไปคุยกันอยู่ในความสงบต่างองค์ต่างอยู่ให้มีสติในการเป็นอยู่ให้ภาวนาให้ดูใจของตนเอง อย่าไปส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนะเนี่ยเรื่องการทะเลาะวิวาทกันโอ้ไม่มีสมัยหลวงอยู่กับองค์หลวงตาใครก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้ามาทะเลาะวิวาทกันในวัดหยาบที่สุดยิ่งไปชกไปต่อยกันนลยไม่ให้อยู่ในวัดหนีทั้งคู่ไล่ออกทั้งคู่ไม่ให้อยู่วัดมันจะมากัดกันในวัดได้ยังไงท่านเปรียบเทียบเหมือนหมาไปเลยนะเนี่ยถ้าพระทะเลาะกันเ่ย นี่แหละนี่แหละคือหลวงตาที่สั่งสอนพระสอนเนรของท่านด้วยความเข้มงวดกวดขันอย่างเมื่อคืนนี่หลวงพ่อวันท่านไปตรวจตาหาพระภาว น, นากลางคืนไม่เว้นไม่เกินสองสามคืนเลหลวงตาจะลาดตะเวนดูพระองคไหนบังเดินยังกลมจุดเทียนเดินยังกลมท่านจะเดิน <c oughs> เดินไปเงียบๆบางทีสี่ห้าทุ่มท่านยังเดิน โดนลาดตะเวนดูพระดูเดนของท่านตั้งตั้งใจภาวนาไหมหรือมาอยู่มากินเฉยเฉยหรือมาโม้มาคุยกันถ้าท่านเห็นสิ่งที่มันไม่ดีนะหลวงตาจะเตือนทันทีเลยอย่าทำนะเราบอกแล้วอย่าทำให้ตั้งใจภาวนาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่บำเพ็ญดูจิตดูใจของตนเอง แหมไม่ใช่สมาสถานที่แม่อย่างอื่นนะถ้าว่าใครก็ตามนะะถ้าไม่ตั้งใจภาวนาให้หนีนะอย่าให้ได้ไล่นะคํำนี้แปลว่าพวกเราเนี่ยฟังถึงใจเดียวงั้นเถอะอย่าให้ได้ไล่นะอย่างนี้นะให้ตั้งใจภาวนามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มุกวัดนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้ทําเพื่ออย่างอื่นนะมาเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายมาภาวนานะนี่แหะ การภาวนาขององค์หลวงตาเนี่ยท่านเน้นหนักท่านบอกว่าตัวของเราเองตัวของท่านเองเนี่ยนะที่จะได้หลักเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ท่านตะกอนท่านบอกว่าท่านกําหนดเฉยๆกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดในการก้าวเดินแล้วก็มีสติในการเดินแต่ว่าไม่อยู่ทำไมมันหลุดได้ง่ายเพราะฉนั้นท่านจึงกําหนดใหม่ทำไมหายใจเข้าพ หายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโถเวลาก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะท่านบอกว่าวันแรกเนี่ยแหะโอ้มันหนักมากๆเลยคือตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ให้ไหม่เผลอถ้าเผลอเมื่อไรเราจะดูให้สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดท่านบอกวัวนแรกเนี่ยเป็นเรื่อง วันแรกกับวันที่สองหนักมากครับพอถึงวันที่สามแล้วรู้สึกว่าเออดีพอวันที่สี่ที่ห้าสติอยู่กับตัวเองเท่นีออ้รู้เรื่องอยู่กับตัวเองจนมั่นใจว่าจิตใจของเรามั่นคงไม่เสื่อมนี่แหละอันนี้คือวิธีการตั้งต้นของท่านท่านก็พูดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัตธาญาติโยมลูกหลาน ทุกคน เ, นเพื่อใฝ่ในการศึกษาปฏิปทาขององค์หลวงตาท่านสอนพระสอนเนนท่านเข้มงวดขวดขันเนี่ยท่านอยากจะให้พระเนรของท่านเป็นพระดีเ่ท่านบอกว่าพระน่ะคือแนวหน้าถ้าว่ารักพระมีก ฎ, ม, กฎมีเกณฑ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วต่อไปภายภาคหน้าก็จะได้สอนคณาสัต ธ, ธายาโจมได้แต่ถ้าว่าพระก็ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่ อหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วจะไปสอนศรัทธาญาติโยมได้อย่างไรอันนี้แหละคือองค์หลวงตาท่านเน้นหนักอย่างมากมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาการฉันนี่นะสมัยก่อนเรื่องช้อนนะ่ะไม่มีนะเรื่องช้อนสันช้อนะไม่มีนะคณะศรัทธาญาติโมยมบุคลาภพอหลวงตาอายุมากเท่านั้นแหละท่านมือของท่านอะไรของท่านะใช้ไม่ได้ท่านเคยพยายามได้ฉันช้อน แต่ในพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเห็นว่าปฏิปทาของลงตาฉันช้อนถ้าว่าถามจริงๆน่ะไปถามลูกปู่บญมีนะใอ้หลวงพ่อนะโอ้ยยุคสมัยนั้นนะไอ้แปลว่าช้อนเนี่ยไม่มีเลยเหล้วงานเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยฉันช้อนนะบาทของท่านตกไปที่ไหนบริขารท่านตกไปที่ไหนไม่มีหรอกช้อนพระพุทธเจ้าตกอยู่ที่ไหนเคยมีไหมในหลวงปู่มั่นท่านเคยพูดนะนี่แหละ อันนี้ก็คือแนวแถวขององ์หลวงตาที่ท่านแนะนำท่านท่านสอนสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดดของใช้ของท่านเนี่ยใช้จนกล่าวจะเอาออกเนี่ยต้องขออนุญาตท่านก่อนนะอย่างแก้วน้ำอย่างนี้จอกน้ำอย่างนี้อย่าเปลี่ยนให้ท่านต้องถามท่านก่กอนเท้าออกไปเลยโดยที่ไม่ได้ถามท่านนั่นหละ องนั้นอาจจะไล่หนีออกจากวั ด, ด, เ, ด, ดเหมือนกันแต่ขนาดนั้นนะอย่างผ้าก็เหมือนกันผ้าเช็ดหน้าเราน่าจะเปลี่ยนได้แล้วอขอโอกาสพระแม่กุญจาร์เปลี่ยนผ้าเช็ดหน้าพื้นใหม่แล้วกับผมไม่มันยังพอใช้อยู่เราก็ต้องฝังไอไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนพื้นไหนเปลี่ยนให้ท่านตามความต้องการของตอนเองไม่ได้ของลงตานี่ใช้แบบประหยัดใช้แบบ คุ้มค่าจริงๆนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีของพระของเนนของพี่น้องประชาชนแต่ว่าการสงเคราะห์คนอื่นไม่อั้นนะไม่อันอ้นอย่างพระลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาสู่วัดของท่าน เ, เวลาสมัยก่อนวัดนั้นวัดนี้เข้ามามีกระถินมีผ้าป่าอย่างนนในวัดของหลวงตา ท่านก็ให้พระไปเลยนะ อ, อวัดไหนที่มันจะขาดตกปกพร่องออให้เป็นหมืน่นเป็นแสนถ้าก็ให้เนี่ท่านไม่ได้ห่วงแต่ในวัดของท่านไม่ต้องใช้แบบเราดูอยู่ในวัดของเราเราดูอยูเออ่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรขาดตกปกพร่องอย่างไรเราดูอยู่ อ, อความขนาดนี้เหมาะแล้วพอแล้วอันนี้แหละคือิธีท่านองหลวงตา ท่านดูพระดูเนนของท่านท่านดูถึงพี่น้องประชาชนอันนี้พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ <c oughs> อติเลกาลาบอของพวกเราเนี่ยมากมายทช่ไหเพราะบุญบา ร, รมีของหลวงตาบาง <c oughs> พวกเราก็เลยใช้ฉันแบบ <c oughs> ลืมตัวไปได้ไง่ายๆเหมือนการนั่นหลวงพ่อว่านะนี่แหละขอเตืนเอนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระลูกพระหลานพระน้องพระหนุ่งทั้งหลายให้สํารวมระวังแนวแถวที่องค์ลงตาประพฤติปฏิบัติมาในธรรมคาสอนของท่านถ้าพวกเราฟังให้ดีศึกษาให้ดีแล้วจะเป็นแนวทางดํารงชีวิตของพระป่าได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดี อ, อย่างท่านไม่เน้นหนักเรื่องการก่อสร้างอย่างนี้ในวัดป่าพัตตา เข้าไปดูข้างในไม่มีกุติที่หรูหราโอ้อาไม่มีแร้วมีแต่กุติปอนๆทั้งนั้นไม่รู้จะพังวันไหนนี่แหละท่านทําไมจึงทําอย่างนั้นท่านให้เน้นหนักเรื่องจิตใจมากกว่าเรื่องวัตถุที่ท่านไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นเน้นถ้าโคตมีธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทั้งนั้นนะอยู่ปลารงฟองไฟที่ไหนก็อยู่ได้ความสุขมันไม่ได้อยู่ในที่กุติมันอยู่ที่ใจถ้าใจเป็นสุข ใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วอยู่ที่ไหนมันสุขทั้งหมดถ้าว่าใจของเราเป็นทุกข์แล้วจะอยู่ในห้องแอร์อยู่ในที่หรูหราว่ามันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างเก่าเพราะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจร่างกายนีย่พออยู่ได้ไม่ทนทุกข์ทรมานเกินไปเอาและพอแล้วจะไปหาความสุขอะไรนี่แหละหลวงตาท่านสอนแนะนำสิทธิอนุสิทตนะในวันนี้อาตมาภาพเตปพูด เกี่ยวกับแนวทางของหลวงตาให้แก่คณะทายาทโจมทุกขูเราสรุปแล้วก็คือหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เป็นผู้สันโดษมักน้อยสันโดษไม่ลืมตัวแล้วก็การำทําทําคุณให้แก่ประเทศชาติของหลวงตาเหลือ เหลือจักรนานับมากมายมหาศาลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นพี่น้องประชาชนทุกหมุ่ทุกเหล่าได้มาการาบคารวศพมาคาวรวัตสรีละขององค์หลวงตาหลวงพ่อเห็นโอเป็นบุญที่องค์หลวงตาได้ช่วยสงเคราะห์โลกวัดนี้หลวงตาทิ้งสรีละของท่านแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านประกาศแล้วประกาศว่าเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว เ, เราวังเพนเรารู้แก่ใจของเราเราว่างเราว่างหมดแล้วอันนี้ท่านพูดจนวาระสุดท้ายเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพเลยพูดเลียนให้แก่พี่น้องประชาชนธธาาจัทตาญาติโยมได้ฟังก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนกรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาที่ท่านได้บําเพ็ญมาดีแล้วขอให้คุ้มครองพวกเราและก็เกื้อกูลหนุนพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยโพคสมบัติและก็จิตใจให้มี ความร่มเย็นเป็นสุขและก็ให้ดวงตาปัญญาดวงตาของเราเห็นธรรมในที่สุดขอให้พ้นทุกในวัฏสงสารขอจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้ถึงพระ涅槃ด้วยกันทุกทุกท่านทุกทุ ก, ทกคนด้วยเธอ